พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าส่งเสริมยอดแห่งความชั่ววันนี้เป็นวันที่๒๐ วันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะลงเดินทางเข้ากรุงเทพน้านลูกลานแต่ก็คงจะไปไม่กี่วันล็อกแต่ก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะมีภาระต่อไปที่ลงไปแล้วอาจจะมีอะไร เราจะไปพูดก่อนก็ยังไงแต่ก็ในใจก็มีแล้วละ่ะว่าจะกลับก็คงไม่นานไปไม่กี่วันล้วคงจะกลับแต่ทงพ่อลงไปคราวนี้ลงไปกิจภา ร, รกิจหลักก็คือเจ้าของสวนแสงธรรมคุณยายคุณหมออุไรวันกับคุณโยมสกล สองสามีภรรยาที่ถวายวัดสวนแสงธรรมถวายองค์หลวงตาทั้งวายทั้งสองฝากฝังถนนเลยนะถนนทางนี้ถวายส2บสองไร่แต่ถนนทางนู้นคิดว่าเป็น19เกไร่หรือไระไรลักษณะงั้นแหละตรงพ่อก็จ้าไม่ชัดแต่ถึงยังไงก็ยี่สิกว่าไร่ทั้งสองฝากฝั่งทับคิดเป็นเงินทุกวันนี่พอ ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะที่ดินในกรุงเทพในแถบนั่น อ, ะอ่ะพวกเราก็ได้บำเพ็ญกุศลพี่น้องชาวกรุงเทพก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลในที่ดินแปลงนี้ต่าก็นิมนต์หลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วก็นิมนต์ปีนี้ก็นิมนต์อีกนิมนต์พระทั้งหมดเก้ารูปแต่หลวงพ่อก็ได้จัดทางพระทางอื่นที่เป็นสหธรร ม, มิกลูกน้องบริวาร ก็ได้พาเจะนัดไปวันพุนี้ล่ะบินทบบาทฉันเช้าที่งานที่สวนแสงธรรมฝากฝั่งฝ่ายอุบาสิกาเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้เดินทางลงวันนี้ตอนบ่ายๆคงจะไปถึงกรุงเทพคงจะพักที่สวนแสงธรรมแต่ถึงยังไงก็าตามลูกหลานคณะทาญาติโยมที่มาสู่วัดของหลวงพอ่อ หลวงพ่อมีแต่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีมีความพร้อมเพียงสมัคีให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำใ ห, ให้รู้จักสัมมาคาระวะให้รู้จักบา ป, ปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดมรรคผลนิพพาน ตามแนวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้แล้วเป็นของจริงตามแนวแถวที่ได้ประพฤติธปฏิบัติมาเพราะนั้นลูกหลานพระเนนทุกองค์ก็เหมือนกันหลวงพ่อลงไปถึงจะไปชั่วระยะไม่กี่วันแต่หลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกับพ่อแม่หนีจากบ้านออกจากบ้านไปก็ต้องเป็นห่วงบ้าน เป็นห่วงลูกห่วงหลานกลัวจะมีเรื่องราวอะไรทะเลาะเบาแวงกันถ้าวบอกพ่อแม่ยังอยู่ถึงยังไงก็พ่อแม่ก็ยังเห็นนดูได้เห็นได้ดูรีรู้ได้ได้ยินแต่ลุงพ่อพ่อแม่ออกไปจากบ้านแล้วก็ห่างเหินจากลูกลุงพ่อก็เช่นเดียวกัน เมื่อออกไปแล้วก็ห่างเหินจากลูกลูกลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็เป็นห่วงเหมือนกันอยู่กินยังไงเป็นไปยังไงแต่ลูงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดไว้ลหลายๆอย่างสำหรับพขกพระอยู่ด้วยการเจ็บไข้เดรป่วยปฏิบัติอย่างไรแก้ไขอย่างไรสถานการณ์ถ้ามีเกิดขึ้น พวกเราไปหาหมดหมดหมออย่างไรหลวงพ่อก็บอกไว้หมด เ, เพื่อให้พระให้ช่วยกันพอดนุนพราะพระของหลวงพ่อก็มองมอ ง, มองดูแล้วก็ผู้ได้รับการศึกษาทาง น, านั้นปริญญาตรีโทเอก เ, เคยรับราชการก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ใหญ่เป็นพระโดยการทั้งหมดรู้ เลี้ยงสานิติภาวะคือพระที่ก็มาบวชในพุทธศาสนาต้องอายุ2ีปีผ่านไปแล้วท่านจึงให้เป็นพระเพราะนั้นก็เป็นผู้ผ่านนิติบรรุนิติภาวะทั้งหมด20กว่าปีทั้งหมดเพราะไม่มีสัมมาเนนตีวัดของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพระเนนน้องนุง่งทางหลายลูกหลานท้งหลายลหลวงลลพ่อสอนหมด ขุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหลักธรรมวิัยมีความพร้อมเพียงสามัคคีให้รักกันเมตตากันต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันปรึกษาปรรบกันในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ให้เป็นเสมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันน้ำคือท้าเข็มก็เข็มด้วยกันจืดก็จืดด้วยกัน มีความเห็นเป็นแนวแถวเดียวกันนี่แหละหลวงพ่อสอนหมดสอนลูกสอนลูกของหลวงพ่อที่อยู่ในวัดจริยธรรมความประพฤติคุณธรรมควรจะมีในจิตใจศีลและวินยัยเป็นยังไงหลวงพ่อสอนหมด สอนให้พระของหลวงพ่อในปัจจุบันและก็วางแผนไปในอนาคตอีกว่าจะวางตัวยังไงต่อไปเมื่อเราอยู่ในาศาสนาเป็นพระภิกษุเป็นผู้ใหญ่ในพระพุทธศ า, าสนาเป็นผู้ดำรงทรงพันษาขึ้นมาหลายพันษาขึ้นมาเราควรจะวางตนอย่างไรหลวงพ่อก็บอกกล่าวไว้นะและก็ยังไม่ใช่บอกกล่าวไว้ธรรมดาอีก อย่างอัดใส่เอ็มีสาอีกเอาไปเปิดฟังเมื่อไรก็ได้หลวงพ่อเองก็มั่นใจอีกเหมือนกันที่ในอัดในเอ็มสหรือในเทปหรือในหนังสือที่พิมพ์ออกไปหลวงพ่อก็มั่นใจอีกว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้ได้ยินได้ฟังแล้วกับหนังสือแล้วเอ็สก็ตามที่พูดออกไปนั้น ก็ไม่มีคําว่าจะดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งมีแต่เหยียดหยามความชั่วเหยียดหยามกิเลสเหยียดหยามที่ใครก็ตามที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดียิย่เหยียดหยามจุดนั้นถ้าผู้ใดคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่เชิดชูบูชาในแนวความคิดในการกระทําในการพูดนั้นพวกเราให้ฟังดู ใน MP3 หลวง่งพอ่อสรุปแล้วคือหลวงพอ่อดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดจะเลยดีกว่านะเมื่อเราพูดลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพานเนรลูกหลานทุกองค์ที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด คำสุภาษิตคำเป็นคำภาษิตของหลวงตาหลวงตาท่านพูดตรุษิตนะบางทีท่านก็พูดหนักๆ น, นะพอหลวงปู่พ้พอ่พอนฟังจากหลวงตาท่านบอกว่านี่นะวิชาอย่างอื่นวิชาดีวิชาดีวิชาคุณธรรมศีลธรรมวิชาความพร้อมเพียงสามัคคีเราสอนให้หมดประสิทธิ์ภาษาไทย ห, หมด เราไม่ได้สอนแต่วิช า, มาหมาเนาะใชหลวงตาท่านบอกเราแต่ไม่ได้เราไม่ได้สอนแต่วิชาหมานะให้ให้กัดกันอย่างนั้นให้กัดกันที่ไหนทำมาตัวหนึ่งกัดขายตัวหนึงกัดคอได้เลยไม่ได้สอนวิชาอย่างนั้น อ, อมีแต่สอนเรื่อง อ, อคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความประพฤติควรวางตัวอย่างไรให้รู้จักสถานะของตัวเองอย่างไร เราสอนหมดอันนี้คือโลงตาพวกเราลูกหลานพระให้ฟังเอาไว้นะถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อนี่มีเจตนาดีที่สดกับทุกคนกับศรัทธาญาติโยมกับพี่น้องผู้ได้ยินได้ฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่า น, นเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าได้เปล่าประโยชน์ ให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วกล่าวอีกบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องปักกันพวกเราจะไปเกิดในภพใดก็บุญกุศลจะเป็นเครื่องปร ะ, ระปร ค, ะครระับประคองเป็นเพื่องพานนาให้พวกเราไปสู่สขุขคติถ้าว่าพวกเราทําไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะพาไปสู่ทุกทุกคตินะ ไม่ว่าพบนี้ชาตินี้ไม่ว่าชาตดนาชาตินี้ก็เถอะถ้าเราทําไม่ดีกันนะั่นอย่างน้อยก็ติฉินนินทาอคนดูถูกเกียจยามำทั่วบ้านทั่วเมืองอมากกว่านั้นกว่านั้นะเขาก็วางแผนเอกําจัดไม่ใช่กําจัดฆ่าทีเดียวกําจัดคล้ายๆก็ว่าไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาอทามากกว่านั้นถ้ามันผิดขึ้นมากนะันน่ะ เออเอาเรื่องเอากฎหมายมาว่าจับข้อคุกเขา้เขาตารางไปขังไว้เพราะมันไม่ฟังคำหมูคำเพื่อนทำให้หมูเพื่อนเดือดร้อนวุ่นวายมันมีหลายขั้นตอนอันนี้ก็คือความชั่วนะถ้าใครคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแลวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าคิดดีทำดีพูดดีไปในสถานที่ใดมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชานับถือเลื่อมใสศรัทธา อยากจะให้มาใกล้มาเป็นพักเป็นพวกเป็นหัวหน้าเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นคือดีมันแยกกันโดยโดยความประพฤติโดยความคิดด้วยการกระทาด้วยการโพดนะความดีกับความชั่วนะถาญาติโยมนะมันออกไปจัดใจดวงเดียวนั่นแหละเหมือนคัว่าเพลาสองหนกที่หลวงพ่อเคยพูดนะ พวกเราคงจะเคยเห็นมะพร้าวสองหน่อออกจากต้นเดียวกันคนต้นหนึ่งเราจะส่งเสริมอยอดไหนยอดมะพร้าวสองหน่อถ้าหากว่าเราส่งเสริมคุณงามความดีคุณงามความดีก็ topping, จะเจริญ ง, งอกเงยเหนือกว่ายอดความชัว่วแต่หากว่าพวกเราส่งเสริมความชัว่วยอดความชัว่วต้นมะพร้าวที่มันเป็นยอดโวมก็งอกเงยกว่ายาวกว่าจเจริญ ง, งอกงามกว่า ยอดที่เป็นคุณงามความดีไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเรานั่นรู้แก่ใจดีกับชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าว่าเราไม่จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็จะแสดงว่าเราในงโง่ปากเนีอ่อวิชชาปิดบังจิตใจของเราไ ม, ไม่รู้จักกระทั่งดีกระทั่งชั่วกระทร่งสูงต่ำสิ่งควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกต้องไม่ถูกต้อง อันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคนเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละถ้าพวกเราไปเห็นผมยาวๆไม่อาบน้ำนะการมตามข้างถนนภายของไอ้ดุงตรงนางไปถามดูมันไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วหรอกอันนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักดีจักชั่วกันเข้าไปในลักษณะอย่างนั้นหละ่ะ เ, เ, เพราะอะไรเพราะกิเลส ตัวอวิชชาปิดบังจิตใจไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้หลักธรรมะทักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นกระจกเงาเอามาเปรียบเทียบว่าข้าพปเจ้าคิดอย่างนี้คิดเบีเยดเบียนผู้อื่นเขาหรือเปล่าเอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่า ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาเรื่อเปล่าเออเราคิดอย่างนี้ในเมื่อทำลงไปการกระทาของเราเนี่ย เ, เราเบียดเบียนเขาไหมผิดสินข้อที่หนึ่งไหมผิดสินข้อที่สองไหมผิดสินข้อที่สามไหมที่สี่ที่ห้าไหม อ, อันนี้คือไม่มีใครที่จะรู้ถ้าพวกเราเอาศินห้า เอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นบรรทัดฐานเป็นเส้นบรรทัดพวกเราจะเดินอย่างไรแต่ทีนี้เราเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วเราจะขัดเกลากิเลส ข, ของเราอย่างไรที่พระพุทธเจ้าสอนว่าวิกาลโพเราไม่ควรจะกินอาหารหนักไปทางกินอาหารทั้งปี่ทั้งวันมกมุ่นในการกินอาหาร เห็นกับเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่ลิ้นถึงเราจะเลี้ยงขนาดนี้ก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะอีกสักวันหนึ่งเลี้ยงอ้วนเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาเข้าหามลงเอาข้อลงยิ่งเขาหามหนักอีกต่างหากวามันอ้วนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราทานพอประมาณเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันพอประมาณพอให้อยู่ได้พิการละโพขัดเก่ากิเลสเ่น ตรวจตราดูตัวเองก็นัดจะขีเ่เราจะไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงให้จิตใจของเราก็เพื่อมวันไหวสนุกสนานมัวเมาอยู่กับความเพิดเพลินอยู่ในโลกวัะสงสารและก็มาลาพวกเราจะไม่ทัดรงดอกไม้ของหอมแต่งร่างแต่งกายจนเกินไปจนเป็นตัวลิเกณตัวหนังตัวละครดูๆแล้วมันไม่ใช่ คู่ใจโคตมันผิดปกติแต่งเกินไปดูมันก็นั่นนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เห็นด้วยการแต่งเกินไปแต่งให้ความเหมาะสมสะอาดสะอ้านสวยงามพอประมาณอันนี้ก็คือนัตมาลาคันทวิเลอุดจาอย่าเป็นสแสวงหาหรือฮะนอนในที่ในความสุขจนเกินไปนุ่มจนเกินไป เหล่านี้ก่อนเนะี่ยทำให้ติดโลกติดสงสารติดในการเป็นอยู่ไปที่ไหนไม่ได้เพราะติดนิจในที่นอนที่พักผาอาศัยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านให้ขัดเกลากิเลสภายในใจของพวกเราอันนี้ก็คือศินแดเี่ยินหศสินเจนะ็ดศิลแปดเน 6, ีน 7, ่ยนะเป็นศินที่พระพุทธเจ้าไว้ขัดขัดเกลากิเลสภายในใ จ, ใจิตใจต่อส่วนศินห้าลงมาเนี่ยตั้งแต่ข้อห้าลงมาหาข้อหนะึ่งเนี่ย ใ น, นเปิดคือศินการอยู่ด้วยกันให้ส้ำรวมใ ห, ให้ระวังอย่าไปทำผิดเราไปฆ่าเขาละ่ะไปขโมยสิ่งเขาของเขาละ่ะไปด่าลาบและล่วงในสามีภรรยาของเขาลูกของเขาละ่ะไปโกหง โ, โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาละ่ะดื่มสุราแล้วขาดสติเมื่อขาดจติตแล้วขาดการยับยั้ง ตัวเองพ ร, อพร้อมที่จะทําความชั่วไในทุกอย่างนี่แหละจะฆ่าใครจะขโมยใครจะประพฤติลาลาประร่วงในสามีภรรยาลูกของใครโกหกต้มตุนหลอกลวงใครมันได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะศีล ส, สุรานมันขาดสติเพราะฉะนั้นศีลห้าเนะี่ยคือศีลคุ้มครองโลกทํางทำให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขคนที่มีศีลห้านะ ถ้าสินแปลนะี่คือสินพัฒนาแนวความคิดของตนเองเราหมกมุ่นในอาหารเราหมกมุ่นในการแต่งกายเราหมกมุ่นในการฟังเสียงร้องรําทําเพลงเราหมกมุ่นในการปนปื้อร่างกายให้อยู่ด้วยความสุขจนเกินสถานะเกินตนเองใช่ไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือเป็นศิลธรรมของพระพทุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา าาศรัทธาญาติโยมทุกท่านอันนี้คือสินนะแต่ส่วนธรรมคือตั้งทังด้านจิตใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้สอนอย่ า, อาส่งจิตส่งใจออกไปนอกจนเกินไปนะให้ภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองจอู่ตลอด ถ้าพวกเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกขาดทนุนหลวงพ่อเคยพูดมาแล้วนะถ้าพวกเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองอยู่ตลอดอันนั้นคือกำกำไรนะกําไรชีวิตนะนะพวกเราส่งจิตออกส่งใจออกข้างนอกนะเหมือนกับคนเป็นบ้าสนะมันขาดทนุนะนะเออคนระู้สึกก็นะ่ะส่งออกไปปูนฟุ้งซ่านออกไปมากๆากนะนะเป็นบ้าปพอเป็นบ้าขึ้นมาก็เสียสูญนะท่นะนะนะ เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้ากิใจอยู่กับตนเองจะเป็นบ้านได้ยังไงมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองถ้าส่งสินของไปขายต่างประเทศปว่าเป็นผู้มีหัวเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีโทนทรัพย์ส่งสินค้าไปต่างประเทศไปเอายาไปขายเอาข้าวไปขายเอาวัชพืชอะไรใบขายสินของไปขายผลิตรถไปขายล้วนแล้วจะได้กาไรกับ กลับคืนมาเนี่ยอันนี้แปลว่าส่งของส่งของไปนอกไปขายนอกนได้กําไรไปบอกพูมีฐานะดีจึงทําได้อแต่ถ้าว่าคนเราถ้าส่งจิตนอกๆขาดทุนนี่จะเนี่ยในหลักของพุทธศาสนานถ้าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยขาดทุนถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยได้กําไรมันตรงตรงกันข้ามนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะคณะสัตยทายญาติโยมพรนเอนลูกหลานน้องนุ่งทางหลาย ให้สำมรวมระหวังกายวาจาใจของตนเองนี่แหละหลวงพ่อจะไปทุกละแต่ไปออกไปข้างนอกวัดก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอย่าให้มีปัญหาภายในวัดของเราให้รักเมตตากันมีอะไรปรึกษาปรารบกันมีอะไรมีอะไรเก่เก็บไขรได้ป่วยไม่สบายเรื่องอะไรช่วยกันดู อแต่ก็ให้ดูอยู่ในหลักปัตธรรมวินยัยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่หนูขนองแมวไม่อยู่หนูขนองคนโบราณเขาพูดนะหอหลวงพ่อไม่อยู่วัดนพระเนนอกคนละทิศละทางถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นบอกมานะอถ้าบอกมาเอถ้ามันไปทํามไม่ดีมันี่ยมันขายฉันขายหน้าตัวเองนะอีสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งขี่รถออกไปข้างนอกไปเฉียวชนเข้าไปอะไรท่านี่ยนั่นแหละ หลวงพ่อกลับมาเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วไปให้กลับมาวัดอีกต่างหากนะเระวังให้ดีนะบุหลวงพ่อไม่ต้องการ อ, อไม่เป็นไม่ต้องการพระธุรกิจนักธุรกิจธุรการหลวงพ่อมีตะสอนให้อยู่ในศีลในธรรมให้มีเป็นผู้สันโดษให้อยู่กับตัวเองให้อยู่ภาวนา อ, อถึงคราวให้อยู่ภาวนาให้อยู่ภาวนาไม่ใช่ว่าตลอด น, นุ่นตลอด น, นี่เออ ทะลุซ้ายทะลุขวาอาไปจนไม่รู้จักหยุดจักยัง้งมันไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะะเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงจะออกไปนอกวัดแลว้วกนะ็เถอะนะถ้าไมสซ้ำหัไม่ระวังไม่อยู่ในศีรายจาวัตไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จกักลักษัณฐ์ธรรมวินยัยไม่เป็นศากยบุตรพุทธชินนรดไม่มีฮิลิโอตปะ เป็นพระอรชชีไม่มีความไม่มีอย่างอายไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินนะ ล, ลูกศิษย์หลวงพ่ออินต้องอมีศีรษะจารวัตสัมมาคารวะ เ, เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในหลักธรรมวินยัยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะแต่ลูกพวกลูกหลานทั้งหลายก็ดูสิดูหลวงพอนะ่อจ้ะหลวงพ่อก็หลวงพ่อมั่นใจหลวงพ่อมองตนเองเหมือนกันนะ ทีเป็นลูกศิษย์เป็นตัวอย่างของพระลูกพระหลานหลวงพ่อเองดูมาตลอดอสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมไม่ควรหลวงพ่อก็จะบอกกล่าวลูกน้องบริวารแล้วก็บอกตอนเองอีกต่างหากนะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกกวงเนะพระจัดศรัทธาญาติโยมแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อไม่อยู่ก็ช่วยๆกัน พระเนนของเราพระของเราก็มากทั้งสี่สบกว่าองค์นะผู้ที่ออกไปก็ไม่กี่องค์ที่ ต, ต, ต, ติดตามหลวงพ่อไปจากนั้นก็ยังอยู่ในวัดทั้งเยอะแยะเพราะนั้นกะ็ให้พวกเรา ช, ช่วยกันดูแลพระสงฆ์สร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีทำประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนั่นแหละบุญกุศลนะ่ะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนจิตใจของเรา นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็สบายมีความสุขสุกกายสุขใจนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงพระตูพตู๊แว่นด้วยนะอุทิศส่วนกุศลนะดวงวิญญาณของพระตูสิงสถติตยอยู่ณนะ ท, ที่ใดที่ใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทาได้เจตนาได้ถวายจตุปัจจัยเพื่อสร้าง พระเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอธิธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเพื่อสร้างเสร็จแล้วนะรับพร